พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่22โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าโยนปลายเชือกให้ลูกแมววันประ ในวัดของเรา 36, 36สามสิบหกสามัมมาเนนหนึ่งลงมาชั้นสามสิบสามงดสี่ไม่มาชั้นสีองค์สี่โลกวันนี้เป็นวันที่สิบหกมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันที่ยี่สิบสองงานสมโพธพระพุทธปฏิมาแล้วก็มอบ อาคารถวายศาลาเสนาสนะที่พวกเราได้ก่อสร้างจากนั้นก็จะได้ทาบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดวันที่ยี่สิบสองสวดมนต์เย็นวันที่ยี่สิบสามถวายพระทหารพระสงฆ์จากนั้นก็จะทำพิธี บรรจุพระบรมสารีริกธาตบนพระเสียนของพระพุทธปฏิมาพระพุทธอุดมมงคลสองทำไมจึงตั้งชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลสองเพราะพระพุทธรูปอยู่ในวัดของเราเป็นพระประธานรว่าพระพุทธอุดมมงคลแต่ในเมื่อจำลอง แล้วว่าถ่ายแบบจากองค์นี้ไปให้เขาแกะเป็นหินหินดำหินนินสเปนของประเทศสเปนแกะขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลสองคือจำลองจากองค์นี้ไปไปอยู่ข้างนอกจากนั้นเราพวกเราก็จะได้ทาบุญอุทิศ ส่วนกุศลเสร็จแล้วก็ทานอาหารเสร็จบร้าก็คงจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเศียรพระประธานจากนั้นก็คงจะเสร็จพิธีในวันที่23อันนี้ก็คือสาสนพิธีถ้าว่าจำเป็นไหมสำคัญไหมก็จำเป็นและสำคัญแต่เราจะไปยึดติดในหลักนั้นจริงๆ ในาศาสนพิธีจริงๆก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ ย, ยึด ต, ติดในาศาสนพิธีท่านใม่ ย, ยึด ต, ติดในเรื่องจิตภาวนาทําจิตใจอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นคือจุดใหญ่หลักใหญ่เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระประสงค์เป็นความประสงค์ของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ศึกษาจะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ะที่หลวงพ่อเขาไปศึกษาแล้วท่านจะเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องศีลสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาปัญญาแต่ทาไมเราจึงมีศาสนาพิธีด้วย าศาสนพิธีก็เป็นส่วนประกอบพวกเราจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะได้ก็จะต้องมีาศาสนพิธีต้องมีวันกำหนดการว่าวันนี้คือวันอะไรเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดอย่างนี้แหะถ้าว่าไม่มีาศาสนาพิธีพวกเรามากันเด่นเด่นด้านๆเก่งๆกางๆเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในโรงหนังโรงละครอย่างนั้น่ะ แล้วจะเป็นยังไงหาความสงบราบลื่นไม่ได้เพะะนันสาธนพิธีก็จำเป็นในส่วนหนึ่งคือเป็นการรวมกลุ่มรวมหมู่รวมคณะให้เป็นหมวดหมู่อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่อยู่ที่ตันเเด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้ามาฟังพระธรรมเทศนาใครอยากจะมาเวลาไหนก็มาพลในสุดมากบ้างน้อยบงังพระเจ้าพิมพิาสารเห็นศาสนาอื่นเขามีพิธีกรรมเป็นวันก็จะวันไหนอย่างประเทศไทยของเราก็คืออย่างศาสนาคริสต์เขาเอาวันอาทิตย์ เป็นวันเข้าโบสถ์อย่างเนี้ยสมัยนั้นก็คงจะมีศาสนาหลายศาสนาที่เฟื่องฟูในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาทีหลังแต่ก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนตั้งแต่พระเจ้าเป็นดินท่านก็ได้สำเร็จพระโสดาบันพระเจ้าพิพิษานแปลว่าฝังจิตใจอย่างลึกซึ้งในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสารเข้าไปกราบพระองค์พระพุทธเจ้าว่าควรจะมีวันสําคัญที่พุทธบริษัทสี่มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาหรือเข้ามาอบรมทางด้านจิตใจดีไหมพระเจ้าค่ะเพราะว่าข่าพระองค์ว่าควรจะมีเป็นวันแปดค่ำสิบห้าค่ำหรือวันเดือนดับเดือนเพนพระพุทธองค์ก็เห็นด้วย ก็ส่งอนุญาตไม่ใช่พระพุทธองค์เป็นผู้อนุมัติเองนะพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นผู้ท่านว่าขอพรขอพรจากพระพุทธองค์จากนั้นพระองค์ก็อนุญาตให้มีการฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมในวันธรรมศรวนะคือแดค่ำสิบห้าค่ำอันนี้คือความเป็นมาคือกฎรละเบียบพญ า, าพวกเราท่านทั้งหลายถ้ามีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวก กลุ่มใหญ่เท่าไหร่กระจำยิ่งจำเป็นยิ่งจะต้องมีกฎกติกาการดูหรือว่าการสาธารณพิธีอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้นวันนี้เข้ามาเพื่ออะไร เ, เข้ามาก็เพื่อจะทำบุญถวายพระทหารพระสงฆ์เมื่อถวายพระทหารพระสงฆ์แล้วบางวัดท่านก็แนะนำ อบรมบอกกล่าวกับคณะสัต ย, ยาญาติโยมแต่บางวัดท่านก็พอมาถวายพระทหานเสร็จแล้วท่านก็อนุโมทนาให้พรแล้วก็ฉันไปเลยอันนั้นเป็นส่วนมากแต่วัดสําหรับวัดหลวงพ่อเองหลวงพ่อแนวมีแนวความคิดอย่างองหลวงตาสมัยก่อนที่หลวงพ่ออยู่กัหลวงปู่ล่าหลวงตาแต่สําหรับหลวงปูล่ลาไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านอยู่ในป่าโรงพงไย บินทบาทขึ้นมาแล้วก็จัดพอจัดก็กระชันไปเลยบางวันก็ไม่มีคนตามมาแม้แต่คนเดียวจะหาคนประเคนของก็ทั้งยากเ็นเสียแต่เป็นเนนท่านเองหลวงพ่อเป็นเนนเป็นผู้ประเคนของพอประเคนของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชันเลยก็ไม่มีอะไรแต่พอมาอยู่กับหลวงตาใหม่ๆคู่คนก็ยังไม่มากอีกเหมือนกัน อพอมาถึงแล้วก็มีอาหารมาจากในครัวพอจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีไม่กี่คนท่านก็ไม่รู้จะพูดให้ใครฟังอท่านก็จัดอาหารเสร็จแล้วก็อให้พร เ, เพ้อเพ้อยังให้พอรอแต่ท่านให้พรนะถึงมีน้อยคนท่านก็ให้พรแต่ว่าการให้พรบางครั้งท่านก็นี่แหละ <c oughs> ขำแต่ขำไม่ออกนะลูกหลานขน้าทรไทาญาติโยมหลวงตาเนี่ยเอาจิงจริง พอนั่งขึ้นมาอย่างนั่งหลวงพ่อนะ่ะพอเสร็จแล้วท่านก็เลือบเปลือไปเอาองค์นั้นให้ผ่อนะอชี้ไปองค์นั้นพอองค์นั้นก็ว่าได้รับคําสั่งจากองค์หลวงตาเนี่ย น, นะ เ, เตรียมตัวให้พรนะเนี่ยทั้งสันทั้งอะไรด้วยแล้วกันนะพอพูดไม่ถูกอ้าวพูดไม่ถูกเอาไม่ไม่ถูกอย่างไรคล้ายๆว่ามันประมาทกลัวใช่ไหม ยะถาวาริวหาปูราเนี่ยยถาวาริวหาปุาเนี่ยฮะพูดได้ยังไงยะถาวาไม่ใช่วะยะถาวาริวหาปูไม่ใช่ปุ <c oughs> กับขึ้นมาใหม่พอในสุดโอ้บางวันกว่าจะได้ฉันข้าวฉันยังหันนี่ เกือบจะเป็นชั่วโมงก็มีว่างั้นเถอะองไลองนี้องนั้นไม่ได้ไม่ถูกเอาองนั้นพูดท่านเฉยคุ้มวเออพอนี่สุดวันนั้นโอ้ฉันอาหารไม่มีรถมีชาติเลยลวย่างั้นเถอะเออนี่แหละคืออยู่กับครูบาอาจารย์ที่กลัวเนี่ยดีดีอย่างหนึ่งหลวงพ่อยอมรับเลยว่าหลวงพ่อนิสัยหยาบ ถ้าอยู่กับหลวงปู่ล่า ก, ก็เหมือนปู่สอนหลานก็ยังไงยังไงก็ยังได้แต่พออยู่กับหลวงตามหาพัวเนี่อดูดูแล้วท่านจริงจังจริงจริ ง, งวันนั้นบางวันไล่ไปไล่ไปหัวล้อไม่ออกนะใครจะหัวล้อได้อตาท่านขเขเม่งอยู่เลยถึงจะพูดผิดพูดถูกพวกที่นั่งก็มีแต่ก้มหน้าท่านเละ หัวล้อกูหัวล้อในใจแต่หัวราะไม่ออกเพอเพอจะโดนตัวเองเขาอีกใช่ไหมเนี่ยผลที่สตรอา้าวฉันต่อไปต้องฝึกนะให้มันถูกพูดจะถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่แหละต่างคนก็ต่างเข้มงวดกวดขันก่อนที่จะ น, นั้นน่ะกลัวจะมาเจอตัวเองพอเจอเข้าจริงๆมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันประมาะ เ, เพราะมันกลัวท่านนะ นี่แหละอันนี้ก็คือาศาสนาพิธีหลวงตาท่านไม่ได้ไม่ให้มองข้ามท่านก็ให้ให้ใหยะถาทุกครั้งก่อนที่จะชันจังหันที่ศาลาบางทีท่านก็ให้เองอ่ะให้เทงงเราก็ต้องฟังฟังทํานองของท่านจากนั้นก็บางทีก็พระฝรั่งให้ก็มี แต่พระฝรั่งท่านก็ไม่ได้ถือเท่าไหร่หรอกพระฝรั่งพูดผิดผิดถูกถูกไปสักหน่อยท่างไม่เป็นไรเพราะว่าภาษาแต่พระไทยไม่ได้ต้องรอก็ต้องเป็นรอรอก็ต้องเป็นรอไปทํากรํากันไม่ได้รอลิงก็ต้องเป็นรอลิงรอเรือก็ต้องเป็นรอเรือต้องออกชัดเจนฮะขณะนั้นอันนั้นคือสาพิธสาธารณพิธีแต่หลวงตาท่านเขาบอกว่าเรื่องสาธารพิธีเนี่ย มันเหมือนกับโยนหางเชือกให้แมวให้แมวตัวตัวเล็กๆนะมันเกิดใหม่นะมันไม่รู้ว่าหนูฮนะเออมันก็จะคุบไปตะคุบมาเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นหนูนะแต่แมวตัวใหญ่โยนหางเชือกให้นะมันเฉยมันรู้แล้ว น, นั่นคือหางเชือกไม่ใช่หนูฮนะหลวงตาท่านเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ก็เหมือนการเรื่องาศาสนพิธีเนะี่ยมันเป็นเรื่องหางหางเชือก แต่ถึงยังไงก็ตามต้องฝึกเอาไว้เพื่อฝึกเอาไวไ้ต่อไปจะเจอของจริงเข้าไปศึกษาไปเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาจะทำยังไงจึงจะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวคัคเกเรตแต่ถ้าขณะช่อเชือกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไม่ได้ฝึกเอาไว้ก่อนเราจะเดินไปหาจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ๆก็คงอย่างนั้นจะยาก เพราะนั้นเราจะไปติดอยู่แต่ในศาสนาพิธีอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ยังไงก็ตามศาสนาพิธีนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการรวมกลุ่มรวมหมู่รวมคณะให้เป็นหมู่เป็นคณะให้เป็นศาสนาพิธีให้เป็นหมวดหมู่ดูแล้วก็งามตาผู้ที่เข้ามาร่วมกันอา้วาวไหว้พระอ้าวจมาทานศีลเอ า, า, ร, า, เอารับศีลอาเจริญ อาราธนาพระประเอาเจริญพระพุทธมนต์อันนี้คืรวนแล้วจะเป็นสาธารณพิธีพิธีกรรมพิธีการของพวกเรารวนแล้วจะเป็นสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีในระดับหนึ่งแต่เราจะไปติดอยู่ในจุดนี้อย่างเดียวไม่ให้ผิดแม้แต่กระเบียดเดียวเอาอยู่อย่างงั้นแหละมันก็ไม่ได้แต่เราจะปล่อยปะละเลยจนไม่ให้ความสนใจใส่ใจซะเลยก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้น ในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายในการมอบอาคารศาลาก็ดีมอบไม่มอบเพามันก็มอบไปแล้วสร้างขึ้นมาแล้วจะมอบทําไมฮแต่พูดแบบประมาท ธ, ธรรมก็ใช่เกิดมาแล้วกนใครก็ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะทําพิธีทำใหม่เพราะเราสร้างขึ้นมาแล้วมอบไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วใครจะเอา ก, กลับคืนไปล่ะมันก็ใช่แต่ถ้าเรามอบ ทำพิธีขึ้นมาเป็นจิตจักษณะเออสาราหลังนี้พระพุทธปฏิมาองค์นี้เสนาชนะสง์กลุมนี้พระสงฆ์มาในทิศทั้งสี่จะมาจากทิศใดก็าตามพวกเรายินดีถวายไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถวายพระพุทธปฏิมาตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ ศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าเสนาชนะถนนหนทางตลอดถึงห้องน้ำที่พวกมาในจากจ า, กจาตุรเทศพุทธบริษัทหรือไม่ใช่พุทธบริษัทมาจากที่ททดินใดก็ตามมาใช้บริการในเสนาชนะของเราได้สร้างไวไวไวในพระพุทธศาสนา บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันสร้างนี่ก็ขอให้เป็นพลังเป็นกำลังทางด้านจิตใจขอให้เป็นบุญกุศลติดภพชาติถ้าพวกเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ขอให้ถึงพระนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้าด้วยเถิดอันนี้ก็คือความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเสียสละทุนทรัพย์เพื่อสร้างเสนาชนะ หรือว่าสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นพวกเราเมื่อสร้างแล้วอย่างนีที่เขาสร้างถวายเงินสร้างศาลาสร้างพระพุทธรูปศาลาหลังนี้ละพวกเราบางคนก็ไม่ได้ลงทุนเลยเราก็ขึ้นมานั่งแล้วก็มาฟังเทศแล้วก็มาไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาในศาลาหลังนี้แต่บางท่านบางคนมีมากมายหลายคนที่นั่งภาวนาแล้วจิตใจสงบมีความสุขทางด้านจิตใจ แต่พวกเราพวกเขาที่เหล่านั้นที่ลงทุนสร้างศาลาหลังนี้ก็ได้บุญกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบำเพ็ญในศาลาหลังนี้แปลว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆในการที่อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทกูบาจารย์พระสงฆ์ได้มาใช้ศาลาหลังนี้ท่านเหล่านั้นก็มีตรับบุญส่วนบุญส่วนกุศลจนกว่าศาลาหลังนี้ จะพังทลายลงสู่ดินน้ำลมไฟถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติอยู่บุญกุศลมากน้อยอย่างไรก็ขอให้เป็นพรังข้าพเจ้าเกิดมาในพบใดชาติใดยังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารก็ขอให้เป็นพรังให้เป็นร่มเป็นเงาเป็นที่พึ่งพาอาศัยอย่าให้ตกทุกข์ใดยากไปในสถานที่ใดอันนี้ก็คือความปรารถนาอันนี้เป็นแนวแถวของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญเรื่องอันไหนก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ทำํำสร้างเสนาธนาสงฆ์หรือว่าถวายปรทหารพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าในครั้งก่อนอท่านก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในภายภาคหน้าด้วยเทถิอ ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักโพธิญานยิ่งกว่าชีวิตของข้าพเจ้าให้เข้าว่าความมุ่งมั่นมุ่งหวังในพระทัยของพระพระองค์ถึงจะไปเกิดเป็นคนทุกข์ยากลำบากที่ไหนก็ตามแต่ท่านจังความแน่วแน่ในโพธิญาณของพระองค์เป็นหนึ่งอยู่เสมอนี่แหละอันนี้ก็คือความปรารถนาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบมาเจอทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราก็การกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากนั้น เ, เรากา็มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีแต่ส่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ ของพวกเรานั่นแหละจากนั้นเราก็ต่างคนต่างไปอะไรทนไม่มีใครที่จะอยู่โชคฟ้าดินสลายสรุปแล้วมีแต่คุณงามความดีทัานนั้นะจะติดจิตติดใจของพวกเราท่านทั้งหลายไปสู่ภายภาคหน้าทาว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าเรามีบุญเราไปเลือกเกิดได้เหมือนกับเราไปเลือกไปซื้อสปปรรพสินค้านั่นะ เราจะซื้อระดับไหนถ้าเรามีเงินเราเลือกซื้อได้ทั้งนั้นแนะ่ะถ้าคนจนเลยไปซื้อไม่ได้นี้คงเหมือนกันทางพวกเราไม่มีบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้พวกเราจะไปเลือกเกิดไม่ได้นะกรรมต้องพาไปเออต้องเหมือนกับพวกเราขี้เกียจหาเงินนะพอไปส่งไปเทศไปประเทศเขมรประเทศลาวก็เถอะนะไม่มีเงินติดกระเป๋าแม้แต่หน่อยเดียวแล้วเราจะไปยังไง เราก็ต้องไปยกมือไหว้ไปขอเขาเหมือนกับเป็นเปรตเนี่ยทีนเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ไม่มีเงินแต่ถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเปา๋าเพชรนิจินดาเต็มไปหมดเราก็แต่เมืองนอกต่างประเทศปฏไปปละโรคไม่มีขโมยโพยโจร น, นะเป็นของใครของเราใครจะไปเอาของใครของกันไม่ได้เป็นของเป็นของแต่ละบุคคลบุญกุศลเป็นของส่วนตัวฮ ไม่เหมือนมนุษย์น่ยมนุษย์มันยังแย่งกันป้นโคดโกงค่ายเชิงวิ่งปิ่งราวกันได้แต่ปราโลกใหม่เป็นของใครของเราเพวัะ น, นั้นพวกเราสร้างบุญไว้แล้วบุญกุศลต้องจิตจิ ต, จ, ตจิตใจของเราไปสู่ปราโลกภายภาคหน้าอันนี้คือหลักธรรมคาสอนสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกแต่ร่างกายในตายแน่ เขาไฟทิ้งแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่นามธรรมคือตัวผู้รู้รู้เนี่ยตัวนี้แหละจะออกจากร่างพอออกจากร่างแล้วเนี่ยบุญกุศลเขาเข้าประคองเป็นพาหะเป็นผู้พานำเป็นพาหนะเป็นผู้พานำดวงวิญญาณเนีไปจะไปเกิดในสถานที่ใดเป็นบุญเป็นกุศลพาไปถ้าว่าเราไม่ได้สร้างบุญบาปพาไปบาปพาไปไปทางต่า แต่บุญพาไปเนี่ยมีแต่ความเจริญเพวัะนั้นกอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ฟังเอาไว้ถึงจะไม่เชื่อก็ให้ฟังเอาไว้และให้ลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติยังไงหลวงพ่อให้นั่งสมาธิตามหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในเวียงวางท่านก็ไม่เชื่อเหมอนกนารละกายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วไปที่ไหนไม่รู้แต่พระองค์ ออกหนีจากเวียงวังไปทรงประวดอยู่เขตแขวงกรุงราชคฤห์แม่น้ําอโนมาบําเพนถึงหกปีก็มไม่รู้หกปีมันน้อยเมื่อไหร่บอมเพนหกปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกอยนั่นะเป็นพระเจ้าแผ่นดินปล่อยตัวยิ่งกว่าชาวบ้านไปอีกชาวบ้านเขายังทํามาค้าขายยังมีครอบครัวตั้งหลักตั้งฐาน อันนี้ศีทศทานเนยไปขอทานกินเลยอ่ไปบินธบาตตอนเช้าจะหมายนะเขาเรียกว่าขอทานเขามาได้ไปบินธบาตนะไปหาขอกินนะจากชาวบ้านสุดแทแต่เขาจะให้อะไรพอกินอาหารเสร็จแล้วก็มาบำเพนเน็ญอีกลองผิดลองถูกลองถูกรองผิดอยู่อ่าบำเพ็ญถึงหกปีฟังดูสิมันไม่ใช่น้อยนะแต่คืนสําเร็จเอ่าที่ทันได้สำเร็จ วันเดือนหกเพนนนั่นแหะสำคัญจุดนั้นแหะตอนที่บําเพ็ญหกปีเนี่ยเหมือนกับเราลองวิทยาศาสตร์จะเอามาเป็นบรรทัดฐ า, านยังไม่ได้พอบําเพ็ญหปีแล้วท่านทํำยังไงแต่ว่าท่านนั่งสมาธินที่ท่านได้สําเร็จนะปือมันจบที่มันจุดจบของพระองค์คือว่าสุดสําเร็จได้สาเร็จ ในคืนวันหกเพ็นนั่นนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเหมือนกับพระประธานมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าสติจะตั้งที่ไหนก็ตั้งตัวที่รู้รู้เลย ร, ร, รู้อย่างนี้ให้มีสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้า หายใจออกเนี่แหละจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งรวมเน่งลงเป็นหนึ่งจากนั้นเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะจิตสงบนั้นพระ อ, องค์ได้ฌานญานัฏนะอย่างปุปเพนิวาสานุสติญาเ ล, ลือกชาติผลหลังได้ฮเนี่แหละนในหลักธรรมคาสอนของพระไเจ้าติตายแล้วไม่สูญถ้า ตายสูนแล้วท่านจะระ ล, ลึกชาติถ้นหลังได้ยังไงถ้าเรามาเกิดวันนี้วันนี้วันเดียวนนลโผล่โลกขึ้นมาเกิดเลยเราจะไม่มีเมื่อวานแล้วเราจะลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงฮะเรพราะเรามาเกิดวันเดียวนีอันนี้มันมีเมื่อวา น, นวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พิสูจน์ให้นั่งภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วนะ่ะเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาขอให้พวก เราคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะให้พิสูจน์ด้วยการทำสมาธิสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นอันนั้นคือสาธารณพิธีมันควรจะมีเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลให้จิตใจของเราอ่อนน้อมท่อมตนอยู่ในชุมชนกลุ่มหมู่คณะต้องมีกฎระเบียบการเป็นอยู่แต่เอาจริงๆเข้าจริงๆ น, น่คือนั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญคืนศัตรู วันเดือนหกเพนท่านตัดรู้อะไรนะอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษานะพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายต่อ น, นไปคณนะสงฆ์อนุโมทนาให้พร